พบท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์บุรศักราชยห4สกิตติศัพท์ในทางด้านการเทศและการปฏิบัติธรรมของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์ได้ขจรกระจายไปทั่วในสังฆมณฑลภาคอีสานในสมัยนั้นทั้งพระภิกษุสา ม, มเณรและฆราห์ผู้ใครต่อธรรมปฏิบัติต่างก็กระหายที่จะได้ฟังธรรมอบรมจากท่าน ด้วยเหตุนั้นในปีพุทธศักราช2464หลวงปู่แหวนจึงตัดสินใจเดินทางมากรุงเทพเพื่อกราบนวัต ก, การท่านเจ้าขุนอุบาลีคุณูปมาจาันที่วัดบ ร, รมนิวาสการเดินทางเข้ากรุงเทพในครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกในชีวิตท่านเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังจังหวัดนครราชสีมาด้วยเท้าผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่มาโดยลําดับ ในสมัยนั้นประชาชนส่วนมากยังสับสนระหว่างการนับถือผีและการนับถือพระไตราสารนคมทุกหมู่บ้านที่ผ่านไปจะมีศาลเทพารักษ์ซึ่งเรียกตามภาษาท้องถินว่าศาลปู่ตาประจำอยู่เป็นส่วนมากในปีหนึ่งหนึ่งจะมีการเส้นไหว้ประจำปีกันครั้งหนึ่งซึ่งจะทำเป็นงานใหญ่นอกจากจะมีการเส้นไหว้ประจำปีแล้ว ยังมีการเส้นไหว้เฉพาะรายอีกเช่นถ้ามีการเจ็บป่วยหรือพวกสัตว์เช่นวัวควายล้มเจ็บลงเจ้าของก็จะไปบวงสรวงเส้นไหว้กันศาลปูตานี้มักตั้งอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้านป่าเช่นนี้ชาวบ้านกลัวกันมากไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้ในป่าพวกเขากลัวว่าถ้าใครขืนเข้าไปตัดไม้ในป่าจะโดนผีปูตาเล่นงานเอา ในระหว่างที่หลวงปู่แหวนเดินทางไปนั้นเข้าไปพักอาศัยอยู่ตามดงปู่ตานั่นเองหลวงปู่เล่าว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งเวลาเข้าไปพักอยู่ในดงเช่นนั้นผู้คนก็ไม่มารบกวนจึงสบายในอิริยาบทเวลาภาวนาก็สงบดีข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อพวกชาวบ้านเห็นว่าพระเข้าไปอยู่ในดงปู่ตาไม่มีอันตรายใดๆพวกเขาก็อศัศจรรย์ จึงเป็นโอกาสของเราที่จะแนะนําให้เขารู้จักไตรสรณะคมและศีลต่อไปแต่บางแห่งเมื่อเข้าไปพักในดงปูตาพวกชาวบ้านไม่พอใจที่จะให้พักก็มีพวกเขากลัวว่าเมื่อมีพระเข้าไปพักพวกผีจะออกมาทำอันตรายแก่ชาวบ้านได้ในที่เช่นนั้นต้องสีแจงให้เขาเข้าใจเหตุผลหมู่บ้านต่างๆที่ผ่านมาส่วนมากจะมีวัดตั้งอยู่ แต่เห็นจะเป็นเพราะพระไม่ชี้แจงอบรมสั่งสอนชาวบ้านก็เป็นได้พวกชาวบ้านจึงนับถือผีเอาจริงเอาจังเช่นนั้นเมื่อเดินทางเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาก็ประสบกับปัญหาการบินบาบดกล่าวคือบางแห่งเวลาไปวินดาบดได้เพียงข้าวเปล่าก็มีได้ข้าวกับพริกก็มีได้ข้าวกับมะเขือก็มีเมื่อได้มาอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นฉันไปตามมีตามได้ เพราะการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นต้องทําตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ควรทําตัวให้มัวเมามากๆในอาหารจนเกินเลยจะทําให้เกิดความลําบากแก่ตนเองส่วนมากชาวบ้านเขามีเขาบริโภคกันอย่างไรเขาก็จะใส่บาตรมาอย่างนั้นพระผู้เป็นทักษินยะบุคคลจึงไม่ควรลืมปฏิสังขารโยในเวลาบริโภคอาหาร หรือปัจจัยสีที่ทา ย, ยกเขาถวายมาด้วยศรัทธาไม่เช่นนั้นอาจจะทำศรัทธาเสื่อมตอนเองก็จะประสบกับความยุ่งยากเดือดร้อนเพราะปัจจัยสี่ที่หาไม่ได้ตามต้องการหรือถูกอัธยาศัยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของนักบวชเราผู้ดํารงชีวิตด้วยความเป็นอยู่อย่างง่ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสาวกทั้งหลายก็ดี ท่านได้ดำเนินมาเป็นตัวอย่างแล้วในอดีตการเมื่อเดินทางเข้าไปถึงตัวจังหวัดแล้วจึงโดยสารรถไฟเข้ากรุงเทพท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ทราบว่าเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็ดีใจถามถึงหลวงปู่มั่นว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรจึงกราบเรียนให้ท่านทราบทุกอย่างเมื่อท่านกล่าวปฏิสันฐานพอสมควรแล้วท่านก็สั่งให้พักอยู่กุฏิหลังหนึ่ง วันต่อมาได้เข้าไปกราบสนทนากับท่านทุกวันเวลาท่านว่างจากแขกหรือเวลาที่ท่านว่างจากการของท่านแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีเล่าความเกี่ยวข้องระหว่างตัวท่านกับหลวงปู่มั่นให้ฟังพร้อมกับสรรเสริญความเด็ดเดี่ยวในธรรมปฏิบัติของหลวงปู่มั่นพักอยู่กับท่านหลายวันจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านบ้างมีโอกาสได้กราบเรียนถามปัญหาที่สงสัยในธรรมปฏิบัติบ้าง ในทางด้านพระวินัยบ้างปรากฏว่าท่านตอบได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดสมกับคำเล่าลือสรรเสริญท่านจริงๆบางวันโอกาสดีท่านก็จะเล่าถึงสภาพของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียบ้างในประเทศพม่าบ้างในเชียงตุงบ้างให้ฟังจึงเป็นโอกาสให้ได้กราบเรียนถามท่านถึงทางที่จะไปยังประเทศพม่าและเชียงตุง ซึ่งท่านเจ้าคุณอุบาลีก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดคงจะเป็นด้วยเหตุนี้เองที่ดลใจหลวงปู่แหวนให้จาริกไปประเทศอินเดียพ ม, ม่าเชียงตุงในปีพุทธศักราช2464นั้นและในปีต่อๆมาอาจกล่าวได้ว่าการลงมากรุงเทพเพื่อกราบนมัส ก, การท่านเจ้าคุณในครั้งนี้จึงบรรลุความประสงค์ทุกประการนับแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา ความสัมพันธ์ระหว่างท่านเจ้าคุณกับท่านได้ดำเนินมาด้วยดีจนตลอดอายุไข่ของท่าน 14. จาริกไปพมา่าอินเดียพุทธศักราช2464การจาริกไปประเทศพม่าและประเทศอินเดียในครั้งนั้นหลวงปู่เล่า ว, ว่าท่านเดินทางออกจากประเทศไทยไปทางด่านแม่สอดจังหวัดตาก ข้าแม่น้ำเมยไปขึ้นฝั่งพมา่าที่ด่านสุลักกากรเข้าไปถามเจ้าหน้าที่พมา่าถึงการเดินทางเข้าประเทศพมา่าพูดกันไม่เข้าใจเพราะต่างก็ไม่รู้ภาษาพูดของกันและกันถึงแม้จะพูดไม่เข้าใจกันแต่เขาก็ดีเขาพูดเป็นภาษาพมา่าว่าเก็กสมะซิบูซึ่งหมายถึงว่าไม่เป็นไรจึงเดินทางไปยังครูคลิก ทางที่เดินไปคุกคลิกนั้นเป็นทางป่าเขาเมื่อเดินทางไปถึงคุกคลิกแล้วพักหนึ่งคืนเช้าออกปินบาบฉันแล้วจึงไปท่าเรือเพื่อโดยสารเรือไปมะละแมงเรือไปถึงมะละแมงเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยสารเรือข้ามฟากมอตมะที่มอตมะมีดอยอยู่ลูกหนึ่งเรียกว่าดอยสีกุตระมีเจดีย์อยู่บนยอดดอย ประชาชนไปเที่ยวนมัสการพระกันมากไม่ได้ขาดเมื่อขึ้นไปข้างบนมองเห็นทิวทัศน์เมืองมตมะทั้งหมดสำหรับเมืองมะละแมงนั้นเป็นเมืองท่าเรือเช่นเดียวกับเมืองสมุทรปราการของเราเมืองพม่ามีพระมากแต่บิณาบาทได้ไม่พอฉันการใส่บาตรเมืองพม่านั้นผู้ที่จะใส่บาตรไม่ได้ออกมาจากบ้านมาใส่บาตรตามถนนแบบบ้านเรา ผู้ที่จะใส่บาตรเขาเตรียมอาหารใส่บาตรไว้บนบ้านพระต้องขึ้นไปรับบาตรกันบนบ้านไปครั้งแรกไม่รู้ธรรมเนียมวันต่อมามีพระไทยใหญ่รูปหนึ่งท่านสังเกตเห็นท่านจึงเข้ามาถามว่าเจ้าบุญได้สปริงซอมไหมตอบท่านไปว่าไม่ได้เลยท่านบอกว่าตามผมมาผมจะพาไปจึงได้เดินตามท่านไปถึงบ้านท่านขึ้นไปบนบ้าน จึงรู้ว่าเขาใส่บาตอยู่บนบ้านอาหารที่ใส่บาตก็ไม่มีอะไรมากมีข้าวหนึ่งช้อนกับแกงถั่วหนึ่งช้อนเดินไปบินตาบาทติดหลังคาเรือนก็ได้ข้าวยังไม่พอฉันต้องเดินไปไกลเวลาบินตบาทบางวันเดินไปไกลมากเข้าหิวขึ้นมาเห็นปลอดคนก็ฉันเสียก่อนจึงเดินไปบินตบาทต่ออีกอาศัยน้าเขามีมาก เขาทําก๊อกสาพรณะไะวายทั่วไปตามถนนการปฏิบัติธรรมอยู่เมืองพมา่าถ้าจะอยู่เอามากักเอาผลกันแล้วอยู่ไม่ได้เพราะอาหารไม่พออยู่มตะมะได้พบพระเขมรรูปหนึ่งท่านไปอยู่เมืองพมา่ามาหลายปีท่านพูดว่าบิณฑบาต ท, ที่นี่เต็มทีเดินบิณนบาตจนอ่อนใจบางวันได้ข้าวไม่พอฉันสู้เมืองไทยไม่ได้ บินบารมาฉันแล้วยังมีเหลือให้สัตว์เลี้ยงได้กินอีกหลายตัวแต่ที่นี่จะทาอย่างนั้นไม่ได้แม้จะเลี้ยงตนเองก็เกือบเอาตัวไม่รอดพระพมาเวลาสนทนากันมักพูดกันด้วยโลกุตรจิตโลกุตรธรรมโลกุตรผลจำเอาแผนที่จากอภิธรรมนั้นเองมาพูดจ่าสนทนากันเพราะเมืองเขาสอนแผนที่กันสอนอภิธรรมกันฉะนั้น เวลาเขาสนทนากันจึงมักพูดแต่ธรรมะชั้นโลกุตระแต่ก็เป็นเพียงพูดได้เท่านั้นส่วนจิตนั้นจะเป็นโลกุตระหรือไม่เป็นอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้สอนภูมิประเทศอย่างของเราเมื่อพักอยู่ดอยสีกุตระพอสมควรแล้วลงเรือกลับมามะละแมงอีกพักอยู่สามคืนวันรุ่งขึ้นจึงโดยสารเรือไปกันกตาขึ้นรถไฟไปพาราณสี นมัส ก, การปูชนียสถานต่างๆการเที่ยวอยู่อินเดียอยู่นานไม่ได้เพราะเนื่องด้วยอาหารจึงจำต้องกลับการกลับก็กลับมาทางเดิมคือโดยสารเรือจากกันกาตามาลงที่มะละแมงจากนั้นก็โดยสารเรือมาขึ้นที่ครุคลิกขึ้นจากเรือแล้วเดินทางกลับประเทศไทยมาตามเส้นทางเดิมเมื่อมาถึงด่านแล้วก็ข้ามแม่น้ำเมย มาอย่างฝั่งไทยตรงด่านแม่สอดพักอยู่ด่านแม่สอดพอมีกำลังแล้วเดินเที่ยวพักภาวนาอยู่แถวแถวอำเภอสามเงาจังหวัดตากแต่ไม่ได้อยู่จำพรรษาชาวบ้านแถวนั้นเลี้ยงสุนัขไว้ดุมากไปบินาบาทบางวันถูกสุนัข ก, กัดเอาเวลาสุนัขวิ่งมากัดพระเจ้าของไม่ไล่สุนัขเขา ว, ว่าสุนัขดุดีที่จังหวัดตากนี้เองหลวงปู่ถูกสุนัข ก, กัดที่ขา ยังเป็นแผลเป็นอยู่จนทุกวันนี้สิบห้าจาริกไปเชียงตุงหลวงปู่แวนสุจินโนเมื่อสมัยที่ท่านยังหนุ่มท่านชอบเที่ยวทุดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเท่าที่ความสามารถจะเดินไปได้สมัยก่อนจะไปไหนไม่ได้เป็นกังวลห่วงรถห่วงเรือเพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก ทางไปมาได้สะดวกมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือเดินไปแล้วเวลากลับก็ต้องเดินกลับออกพรรษาแล้วในปลายเดือนตุลาคมท่านได้จะริขุดงไปเชียงตุงเชียงรุง้งออกจากเขตไทยตรงด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามไปเขตพมา่าฝั่งเขตพม่านั้นมีผู้พักอาศัยอยู่ไม่มากนักในสมัยนั้นเดินไปตามทางล้อทางเกวียน บางแห่งก็ล่าสไปตามป่าตามเขาภูมิประเทศส่วนมากเป็นป่าเป็นเขามีต้นไม้ลำต้นสูงใหญ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปเมืองเชียงตุงตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาเป็นกำแพงตามธรรมชาติล้อมรอบคนละเมืองส่วนมากจะเป็นไทยใหญ่มีพม่าบ้างนอกนั้นเป็นเผ่าอื่นๆเชื้อสายเจ้าครองนครเชียงตุงเลื่อมใสท่านเจ้าคุณอุบาลีมาก เชื้อพระวง์ผู้ใหญ่ยังปฏิบัติธรรมอยู่มากด้านการศาสนาพระภิกษุสามเณรก็มีการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยดีเพราะท่านเจ้าคุณอุบาลีไปแนะนำสั่งสอนไว้เมื่อสมัยท่านได้ไปจำรษาอยู่เชียงตุงพลเมืองเชียงตุงพูดได้สองภาษาคือภาษาไทยใหญ่และภาษาพมา่าประชาชนเป็นผู้มีอัจยาศัยไมตรีดีชอบบุญกุศล แต่อากาศในฤดูหนาวค่อนข้างหนาวเย็นเพราะเป็นเมืองตั้งอยู่ในที่มีภูเขาล้อมรอบการไปเชียงตุงครั้งนั้นไม่ได้อยู่จำพันษา 16. จาริกไปแสนวีฝีฝอน้องแสหลังจากจาริกไปเชียงตุงแล้วได้จาริกต่อไปทางทิศเหนือของเชียงตุงภูมิประเทศเป็นป่าดงดิบมีป่าโปร่งสลับบ้างมีทา น, น้า และสัตว์ป่า น, านานาชนิดซึ่งในเวลากลางคืนอากาศหนาวเย็นเมื่อพ้นจากเชียงตุงไปแล้วจึงขึ้นไปทางเหนือผู้คนเป็นพวกชาวเขาเผ่าต่างๆเผ่ า, าที่เจริญมากกว่าเผ่าอื่นๆคือพวกจีนห่อเมืองแสนวีฝีฝอหนองแสเหล่านี้เป็นที่อยู่ของพวกจีนห่อเมืองเหล่านี้บางเมืองแม่น้าโขงไหลผ่านพื้นที่เป็นที่ราบในหุบเขา อจวนเข้าวรรษาฝนตกชุกมากจึงได้กลับประเทศไทย17ยติเป็นพระธรรมยุทธพุทธศักราช2470หลวงปู่มีความคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารอันดีเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสมานานตั้งแต่พุทธศักราช2464 ซึ่งเป็นปีที่หลวงปู่ได้มีโอกาสไปน้สัส ก, การและฟังอบรมจากท่านเป็นครั้งแรกและนับแต่นั้นมาเวลาที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปทางภาคอีสานหลวงปู่จะต้องหาโอกาสไปกราบน้ำม ก, การและฟังธรรมจากท่านเสมอเพราะท่านเจ้าคุณอุบารีเป็นพระเถระที่มีความสามารถทั้งทางปริยัตและทางปฏิบัติถ้ามีความคัดค่องทางธรรมวินยัยไปกราบเรียนถามท่าน ท่านจะชี้แจงให้ฟังจนหายสงสัยโดยท่านจะตอบข้อซักถามนั้นๆตามที่พระวินัยบัญญัติไว้เสมอเช่นครั้งหนึ่งทางสำนักพระราชวังนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ไปฉันในพระราชวางังมีสมเด็จพระมหาสมณเจรร้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นประธาน<อ>เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงประทับนั่งสนทนากับพระสงฆ์อยู่ตอนหนึ่งพระองค์สรัสถามว่าพระภิกษุฉันของเคียวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่ตะวันเที่ยงแล้วไปจนถึงอรุณของวันใหม่เป็นปาจิตตีตามจิขาบทที่เจ็แห่งโภชนวัตนั้นถ้าเป็นภิกษุผู้ไปอยู่ในต่างประเทศจะพึงกำหนดเอาเวลาเที่ยงอย่างไร พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถามพระเทระทีละองค์ยกเว้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระเทระที่ถูกตั้งปัญหาถามนั้นก็ถวายพระพรไปคนละอย่างไม่เหมือนกันหรือไม่ก็ตอบอ้อมค้อมไม่เป็นหลักฐานข้อยุติเมื่อถามมาถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าเจ้าคุณว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณอุบาลีถวายพระพรว่า ให้ถือเอาเวลาท้องถิ่นที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่พระเจ้าอยู่หัวทรงหันพระพักมาทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้าแล้วทรงตรัสว่าเป็นอย่างไรสมเด็จพระมหาสมณเจ้าถวายพระพรว่าชอบแก่เหตุพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ตรัสถามอีกต่อไปจึงยุติลงเพียงนั้นต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์ได้ไปจําพรรษาที่เชียงตุง ท่านได้ไปแสดงธรรมโปรดเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงจนเลื่อมใส ย, ยอมตนเป็นสิทธิอุปถัมภ์เป็นเหตุให้ทางสำนักนครเชียงตุงประพฤติธรรมกันโดยทั่วหน้าแม้ปัจจุบันเชื้อวงนครเชียงตุงเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ยังคงปฏิบัติธรรมกันอยู่จนทุกวันนี้ในครั้งนั้นนอกจากท่านจะได้โปรดเจ้านายวงนครเชียงตุงแล้วท่านยังได้ปรับปรุง การปฏิบัติพระวินัยของพระสงฆ์ในเชียงตุงให้ดีขึ้นหลายอย่างตามคําขอร้องของเจ้าผู้ครองนครเชียงตุงเมื่อกลับมาจากเชียงตุงแล้วท่านได้ขึ้นไปพักภาวนาอยู่ที่ดอยสุเทพประจวบกับสมัยนั้นวัดเจดีย์หลวงกําลังทรุดโทรมหาพระผู้เป็นหลักไม่ได้ประชาชนก็เหินห่างจากวัดเพราะพระภิกษุธรรมนเนียรพระพฤติการอันไม่ชอบบางประการ ทางฝ่ายบ้านเมืองมีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าพระยามุขะมนตรีหรืออวบเปาโรหิตสมุหเทสาภิบาลมนฑลพายัพจึงได้ปรึกษากันว่าจะหาพระเถระผู้ใหญ่จากที่ไหนเพื่อจะได้นิมนต์มาอยู่วัดเจดีหลวงแล้วขอร้องให้ท่านช่วยปรับปรุงวัดและพระภิกษุสัมมเนินเสียใหม่ การปรึกษาหารือเห็นพ้องกันว่าสมควรจะได้ไปอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปามาจาร์จันท์สิริจันโทวัดบรมนิวาสกรุงเทพมาอยู่เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเดินทางลงไปกรุงเทพแต่เผเอิญได้ทราบข่ว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านทักษิเวกอยู่ดอยสุเทพจึงไปกราบนมัส ก, การท่าน และกราบเรียนถึงวัตถุประสงค์ที่มาให้ท่านทราบพร้อมกราบอารัตนานิมนต์ขอให้ท่านมาจำบรรษาอยู่ที่วัดเจดีหลวงเพื่อจะได้ช่วยปรับปรุงความไม่เรียบร้อยภายในวัดให้เข้าสู่ภาวะเดิมเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนให้กลับมาแต่การนิมนต์ครั้งนั้นเป็นการส่วนตัวมิใช่นิมนต์เป็นทางการซึ่งท่านเจ้าคุณท่านบอกให้ทราบว่า ท่านจะรับไว้พิจารณาก่อนต่อเมื่อท่านกลับลงไปกรุงเทพแล้วจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีพักภาวนาอยู่ดอยสุเทพพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับลงไปกรุงเทพหลังจากท่านเจ้าคุณกลับกรุงเทพแล้วประมาณเดือนมิถุนายนทางเชียงใหม่ได้ติดต่อนิมนต์ด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งโดยเจ้าแก้วนวรัตมาด้วยตนเอง การติดต่อนิมนต์จึงสำเร็จไปด้วยดีเมื่อท่านเจ้าคุณอุบาลีได้รับนิมนต์ทางเชียงใหม่แล้วท่านได้เลือกผู้ที่จะติดตามไปกับท่านอย่างพิถีพิถันเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากเพราะเหตุนี้เองจึงเอาไปได้ในจํานวนจํากัดในที่สุดท่านได้เลือกหลวงปู่แหวนให้ขึ้นไปด้วยอย่างความดีใจอย่างสูงแก่หลวงปู่เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่า จะได้รับการไว้วางใจจากท่านเจ้าคุณอุบาลีถึงขนาดนั้นการนั่งรถไฟไปเชียงใหม่สมัยนั้นไม่มีความสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้และช้ากว่าสมัยนี้มากแต่ก็ไม่มีพาหนะหรือการเดินทางอย่างอื่นที่จะสะดวกสบายไปกว่านี้เมื่อรถไฟถึงสถานีเชียงใหม่แล้วมีรถมารับท่านเจ้าคุณหลายคันเมื่อคณะที่ไปขึ้นรถที่มารับหมดแล้ว รถได้เคลื่อนไปยังวัดเจดีหลวงอันเป็นที่พักการไปจำพรรษาอยู่ที่เจดีหลวงของท่านเจ้าคุณอุบาลีครั้งนั้นท่านได้เทศสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาของวัดและได้นําพระภิกษุสามเณรทาความสะอาดวัดจนดูสะอาดเรียบร้อยนอกจากนี้เวลากลางคืนท่านก็อบรมทุกคืนซึ่งทําให้ได้ผลตามความประสงค์ของทางการทุกประการคือ พระวิษุสัมมาเนนก็ประพฤติดีขึ้นวัดดูสะอาดเป็นระเบียบ เ, เรียบร้อยขึ้นมีอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนมาทำบุญฟังธรรมกันมากขึ้นเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็พาหมู่คณะออกวิเวกตามเขตอำเภอใกล้เคียงบางครั้งในฤ ด, ดูแล้งท่านก็ลงไปทาธุระที่กรุงเทพพอใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็กลับขึ้นมาจาพรรษาอยู่เชียงใหม่ ทำให้วัดเจดีหลวงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเช่นที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2470ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้พิจารณาเห็นว่าหลวงปู่แหวนเป็นผู้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมีความวิริยะอุตสาหะปรารบความเพียรสม่ำเสมอไม่ท้อถอย มีข้อวัดปฏิบัติดีตามสมณะสารูปมีอุปชัยวัดและอาจารยวัดดีเสมอต้นเสมอปลายมีอัธยาศัยไม่ขึ้นลงมีความคุ้นเคยกันมานานวันหนึ่งท่านพูดกับหลวงปู่ว่าอยู่ด้วยกันก็นานมาแล้วควรจะได้ยติเสียเพื่อจะได้เข้าร่วมสังฆกรรมร่วมกันได้ ไม่ต้องบอกปาริสุทธิ์อย่างปัจจุบันนี้ในวันอุโบสถครั้งแรกหลวงปู่กราเปลียนท่านเจ้าคุณว่าขอเวลาปรึกษาเพื่อนคือหลวงปู่ตื้อดูก่อนแต่ด้วยเหตุผลของท่านเจ้าคุณที่อธิบายให้ฟังในขณะนั้นในที่สุดจึงตัดสินใจยติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่สีมาวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโดยมีท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์ สิริจันโทเป็นพระอุปชามีพระครูนภีสีเป็นพระกรรมวาจารจาันการที่ท่านหลวงปู่แหวนจะยังไม่ยอมยติเป็นพระธรรมยุทธโดยจะปรึกษาหารือเพื่อนเสียก่อนนั้นอาจจะเป็นเพราะถ้าท่านตัดสินใจไปคนเดียวภายหลังอาจถูกเพื่อนตาหนิเอาว่าจะทำอะไรไม่ปรึกษากันก่อนเพราะหลวงปู่ตื้อเป็นสหธรรมิก ที่เคยท่องเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันเกือบจะทุกแห่งเมื่อมีเหตุที่จะต้องทำอะไรที่สำคัญจำเป็นอยู่เองที่จะต้องขอความเห็นจากผู้ที่คุ้นเคยหรือรู้จักอัธยาศัยกันดีก่อนอีกอย่างหนึ่งขณะนั้นองค์หลวงปู่เองก็อยู่ในขั้นพระผู้ใหญ่พอสมควรแล้วเพราะท่านมีพรรษาได้ประมาณยี่สิบพรรษาซึ่งพระที่มีพรรษาขนาดนั้น จะทาอะไรก็ต้องมีความรอบครอบพอสมควรแต่ด้วยความเคารพในท่านเจ้าคุณอุบาลีและด้วยเหตุด้วยผลของท่านที่ได้การุณาชี้แจงถึงการต้องยติเปลี่ยนคณะใหม่จึงยอมตกลงยติเป็นพระธรรมยุทธ์ซึ่งในสมัยนั้นพระฝ่ายมหานิกายที่เป็นพระเถระมีอายุพรรษามากยอมตนเป็นศิบอบรมธรรมปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริัตโตนั้นมีจานวนมาก ซึ่งท่านเหล่านั้นเป็นพระฝ่ายปฏิบัติมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่มาจนปัจจุบันนี้มากหลายองค์บางองค์แม้ขอยาติใหม่เพื่อเป็นพระธรรมยุทธ์แต่ท่านหลวงปู่มั่นท่านไม่อนุญาตโดยท่านให้เหตุผลว่ามรรคนิพพานไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะนิกายแต่มรรคนิพพานขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลนั้นๆผู้มีความตั้งใจจริง แล้วท่านให้ไปช่วยสั่งสอนหมู่คณะจนตั้งเป็นหลักฐานปึกแผ่นมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีแม้หลวงปู่ตื้อภายหลังก็ได้ยติเป็นพระธรรมยุทธ์เหมือนกับหลวงปู่แวนสุจินโนเช่นกัน